ใครเป็นคนใส่กระดิ่งให้แมวกาลครั้งหนึ่งในห้องใต้หลังคาของบ้านสีเขียวขนาดใหญ่มีครอบครัวนิปเบิลอาศัยอยู่ไม่นี่ไม่ใช่ครอบครัวของมนุษย์อย่างเดียวแต่มันคือครอบครัวของหนูครอบครัวนิปเบิลเป็นครอบครัวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหนูทุกทุกตัวจะมีความคิดใหม่ใหม่ ครอบครัวของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเรามาสร้างห้องครัวของเราขึ้นมาเองดีกว่าไหมแล้วแล้วเราก็จะไปซื้อของกันที่เอ่อซูปเปอร์มาร์เก็ต ด, ด้วยละ่ะใช่เลยได้สิมันต้องสนุกมากแน่เลยเอ่อฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นนะถ้าเราสร้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของเราเองเลยละ่ะ ฉันว่าเรานะั้นต้องได้กำไรมาหาศาลแน่และมันมากพอที่จะซื้อบ้าน อ, อใช่ฉันเห็นด้วยนะมันต้องสนุกมากๆแต่นั่นเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดทุกคนฟังทางนี้มนุษย์ผู้หญิงและสามีของเธอได้เชิญแขกของพวกเขามากินอาหารเย็นในวันนี้ทุกคนรู้นะว่ามันหมายความว่ายังไงเราจะมี งานเลี้ยงโอ้งานเลี้ยงฉันว่านะเขาจะต้องพูดว่างานปาร์ตี้แต่เขาพูดว่างานเลี้ยงมันเยี่ยมไปเลยฉันสัมผัสได้ถึงรสชาติของอาหารแล้วละเยี่ยมเลยนั่นแหละที่ฉันต้องการฉันรู้ฉันรู้พวกเราทุกคนมีความสุขกับงานเลี้ยงครั้งนี้แต่พวกเราต้องระวังกันให้มากๆไม่อย่างนั้นพวกมนุษย์นะ่ะอาจจะจะพวกเราได้นะ ฉันล้อเล่นนะผู้มนุษย์นะไม่มีทางจับพวกเราได้หรอกแต่ว่าแต่พวกเราต้องระวังกันหน่อยทอมกับฉันน่ะจะแอบอยู่หลังตู้เย็นและทันทีที่เริ่มมืดฉันจะส่งสัญญาณให้ทุกคนออกมามาลินและทอม เดินออกไปจากที่ซ่อนตัวหลังตู้เย็นระหว่างทางมาลินได้บอกกับทอมเรื่องความคิดของเจอรี่นิบเบิลที่ผุดขึ้นมานายรู้ไหมทอมเจอรี่บอกกับฉันว่าเจอรี่จะประกาศสงครามกับมนุษย์และทั้งจักรวาลจะกลายเป็นพวกเราว้าวนั่นแหละเจอรี่ฉันจะบอกให้นะเจอรี่แข็งแรงมาก ว่าแต่เจอรี่ได้บอกกับนายไหมว่าจะทํำยังไงไม่นะจริงๆแล้วเรายังไม่รู้ถึงแผนการ น, นั้นเลยแต่ฉันมั่นใจว่าเจอรี่จะคิดแผนออกแน่นอนอ๋อแน่นอนที่สุดเลยครอบครัวนี้บ้เป็นครอบครัวที่ฉลาดมากอยู่แล้วเมื่อในบ้านสีเขียวหลังใหญ่เริ่มมืดลงมาลินและทอมได้ส่งสัญญาณให้หนูตัวอื่นๆบนโต๊ะไม้ใหญ่มีอาหารมากมายหลายชนิดวางเรียงกันอยู่เอารอ หนูทุกตัวมีความสุขในการกินครั้งนี้มากโอ้ยฉันจะไม่มีวันกินอาหารอีกแล้วหนูตัวที่ฉลาดที่สุดในตระกูลคือหนูป้าป๋าหนูทุกตัวนอนหลับเรียงรายกับพุงที่หนักอึ้งไปด้วยอาหารมาลินเดินตรงเข้าไปยังห้องใต้หลังคาเพื่อมาพบกับหนูป้าป่าสวัสดีครับป้าป๋าทําไมไม่ไปร่วมงานเลี้ยงวันนี้ละ่ะครับ โอ้ oh, พ่อแก่แล้วนะลูกพ่อต้องระวังในเรื่องการกินพ่อกินในสูนที่แซมมี่นะเอามาให้พ่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าทำไมลูกยังไม่นอนละ่ะผมตื่นเต้นเกินกว่าที่จะนอนได้เราชนะมนุษย์ในสึกการกินวันนี้ดังนั้นผมกำลังนึกถึงความคิดของเจอรี่ในการประกาศสงครามกับมนุษย์นะครับประกาศสงครามกับมนุษย์อย่างนั้นเหรอ ลูกเียสติไปแล้วหรือไงไม่ครับผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่เยี่ยมมากมันเป็นความคิดที่ไร้สาระไอทำไมป้าปาน่ะไม่ให้กำลังกำลังกำลังใจอ๋อใช่ครับนั่นแหละที่ผมจะพูดเลยกำลังใจลูกพ่อพ่อไม่ใช่จะไม่ให้กำลังใจเพียงแต่พ่อคิดว่ามันเป็นความคิดที่ไร้สาระ ไม่ว่าความคิดจะใหญ่แค่ไหนหากมันไม่มีคนทำมันก็จะเป็นความคิดที่เป็นไปไม่ได้เราอาจจะมีความคิดที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอัจฉริยะและเป็นคนที่กล้าหาญนะแต่ครอบครัวของเราเป็นอัจฉริยะป๊ะป่าจะได้เห็นว่าเราจะประกาศสงครามกับมนุษย์และเราจะเป็นฝ่ายชนะมาลินสับสนมากเขาไม่เข้าใจว่าการที่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่จะไม่เป็นอัจฉริยะได้ยังไง เช้าวันรุ่งขึ้นมนุษย์ผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องครัวแล้วก็ต้องตกใจมากที่รักค่ะคุณช่วยลงมาข้างล่างนี้หน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณได้กินอาหารที่เหลือจากเมื่อคืนนี้หมดแล้วเหรออะไรนะไม่นะไม่ใช่ผมผมแปลงฟันแล้วก็เข้านอนเลยนี่คุณอย่ามาโกหกฉันนะฉันจําได้ว่าเมื่อคืนนี้มีอาหารมากมายอยู่บนโต๊ะและตอนเช้ามันก็หายไปหมดเลยมันหายไปได้ยังไง คุณรู้ไหมว่าคุณต้องควบคุมน้ำหนักวันนี้นะ่ะคุณน่ะจะได้กินแค่ผลไม้เท่านั้นออแต่แต่ผมไม่ได้เป็นคนทำนะหยุดโกหกเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้โกหกผมไม่แม้กระทั่งมองอาหารด้วยซ้ำมนุษย์ไม่รู้ว่ามีหนูอยู่ในห้องใต้หลังคาทุกทุกครั้งที่อาหารเหลือพวกหนูก็จะมากินและมนุษย์ผู้หญิงก็จะโทษสามีของตัวเองทุกครั้งวันหนึ่ง ขณะที่มาลินและทอมได้นั่งแท๊กขนมปังกันอยู่มาลินก็ได้ยินเสียงประหลาดเข้าเดี๋ยวก่อนนะนายได้ยินเสียงประหลาดนั่นไหมโอ้เดคงเป็นเสียงแมวของเพื่อนบันของเราชื่อสนักเกลยเป็นชื่อที่น่าขยะขยแยงมากเลยนะแมวนั่นน่ะไม่เห็นจะน่ากอดสักนิดเดียวแล้วพวกมนุษย์ทำไมถึงคิดว่าแมวมันน่ารักกันน่ะแมวคือพวกปีศาจปีศาจ ฟังดีๆสินั่นไม่ใช่เสียงของสนักเกลนะมันคือเสียงของแมวตัวอื่นและมันก็ใกล้เข้ามาแล้วมาลินและทอมรีบวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเออไม่นะไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงพวกเขาน่ะมีแมวมสละแอหมอมาวอลแวนแมว โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าฉันหายใจไม่ออกฉันหายใจไม่ออกฉันกำลังจะตายนะทมอมใจยเย็นใจยเย็นจำการฝึกการตั้งสติของเราเอาไว้สิเข้าถึงอารมณ์ของตัวเองเอาไว้แล้วก็สังเกตหลังมือของตัวเองเอาล่ะตอนนี้นายสนใจเรื่องอะไรหลหรอโอ้ใช่โอ้ใช่นั่นสินะมันมันต้องได้ผลสํารวจหลังมือของเราเพราะว่าถ้าแมวได้กลิ่นมือของเราเราจะไม่มีมือนะนี่มันเหยยนะชัดๆดใครให้ขบคิดแย่ๆกับพวกเขาว่าต้องนําแมวกลับบ้านมาล่ะเนี่ย หมายถึงมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่มีขนมีหนวดพวกมันนะมีหนวดแล้วมันก็ดูประหลาดมากที่มีหนวดงอกออกมาจากข้างๆปากของพวกมันเออมาลินเออพวกเราก็มีหนวดเหมือนกันนี่นาอยู่ฝั่งไหนกันแน่นี่พวกเราต้องมีประชุมด่วนเลย แบบนี้กับเราได้ยังไงเราอยู่ที่นี่ก่อนที่นี่บ้านเราโอ้บางทีพวกเราอาจจะตื่นตูมกันเกินไปนะไม่ใช่แมวทุกตัวที่จะกินหนูถูกไหมบางทีแมวตัวนี้อาจจะเป็นบางสวิรัตกินแต่หญ้าอย่างเดียวโอ้นี่มันแย่ ม, มากฉันว่าเราใช้ชีวิตอยู่ปกติโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกลัวใช่เลยใช่ฉันเห็นด้วยใช่ฉฉันก็เห็นด้วยเอาละ่ะถูกต้องเลย ฉันว่าเขาพูดถูกเรามาที่นี่ก่อนเรามาไล่เจ้าตัวประหลาดหน้าขนกันเถิด น, นะและนั่นเป็นสิ่งที่พวกหนูตัดสินใจพวกหนูจะใช้ชีวิตปกติอย่างที่พวกมันเคยใช้และจะประเชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ร้ายตัวใหญ่พวกหนูเริ่มเคลื่อนไหวมีความกลัวนิดหน่อยแต่ก็มีความกล้าหาญยังไงก็ตามทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ผิดไว มันทำให้ครอบครัวนิปเปลิลเริ่มแตกหักอย่างช้าๆสมาชิกในครอบครัวเริ่มออกจากบ้านหลังใหญ่สีเขียวไม่นะพวกพวกเราคือครอบครัวเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่เอาหน้ามาลินมามาเชิดหน้ากับความจริงเถอะนะนั่นคือแมวแล้วเราก็คือหนูแมวจะไม่มีทางปล่อยให้เราอยู่อย่างมีความสุขมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราอยู่ในบ้านใต้หลังคานี้แต่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปเราจะไม่มีวันลืมที่นี่เลย ครอบครัวเริ่มหดตัวลงช้าๆในแต่ละวันความตัวแมวเริ่มมีมากขึ้นพวกหนูเริ่มทยอยออกจากบ้านใต้หลังคาทั้งสจวจนักเต้นเจนนี่หนูสาวที่ฉลาดที่สุดชอมนักเคี้ยวทุกๆตัวเริ่มออกจากบ้านการไล่ล่า ย, ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าพวกหนูจะระวังตัวมากแค่ไหนแมวก็ยังตามจับพวกหนูแต่ละวันผ่านไป การหาอาหารของพวกหนูเริ่มอันตรายมากขึ้นพอกันทีเราต้องจัดการกับเจ้าแมวตัวนี้ฉันต้องการความคิดว่าจะทํำยังไงใครมีความคิดดีๆไหมไม่เอาหน้าทุกคนครอบครัวนิเบิลมีชื่อเสียงในด้านความคิดที่ฉลาดหลักแหล่ไม่ใช่หรือยังไงใช่ไหมโอ้อยไม่นะอีกแล้วเหรอฉันฉันฉันไมีความคิดทําไมไม่ไปร้องเรียนพวกมนุษย์เรื่องแมวละ่ะเราก็บอกกับพวกมนุษย์ว่า เจ้าแมวเป็นตัวกินอาหารของพวกมนุษย์ทั้งหมดว่าไงนะนั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะแต่ปัญหาก็คือพวกมนุษย์เน่ะไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจภาษาของพวกเราเลยสักนิดเดียวใช่นั่นแหละนั่นละคือปัญหาทุกคนเรามาระดมความคิดของครอบครัวนิโบ ก, กันหน่อยฉันคิดออกแล้ว ปัญหาที่แท้จริงคือเราไม่สามารถเห็นได้ว่าแมวกำลังจะเข้าใกล้มาใช่ไหมฉันหมายถึงในระหว่างที่พวกเรากำลังทำธุระของพวกเราอยู่หรือว่ากินอาหารกันอยู่ทันใดนั้นเจ้าแมวก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ใช่ใช่ถูกต้องเลยจริ่ใช่สชุกต้องถูกต้องมันเกิดขึ้นตอนที่ฉันกำลังอ่านส่วนผสมของอาหารที่ตรงเคาน์เตอร์เฮ้ นี่นายกำลังล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยทุกคนรู้ว่านายไม่สามารถอ่านหนังสือได้นายกำลังมองแม่หนูสาวที่อยู่ในสวนต่างหากเล่าทุกคนเงียบใช่แซมมี่นายว่าไงนะนี่แล้วถ้าเราทำอะไรก็ได้ให้พวกเรารู้ว่าแมวอยู่ที่ไหนตลอดเวลาล่ะดังนั้นนะ่ะเมื่อเวลาที่แมวอยู่กับมนุษย์ผู้หญิงเราเนะ่ยก็อาจจะแอบเข้าไปในห้องครัวได้อืมฟังดูเข้าท่านะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงล่ะเ มาติดเบลให้แมวกันหาให้นะสิว่าไงวาน <ะ S 1> ว่าไงนะว่าไงนะงนะติดป้ายเซลล์แมวเหรอเออฉันไม่อยากจะทําลายบรรยากาศที่นี่หรอกนะแต่ว่าเราจะขายแมวให้กับใครนะแล้วใครเออจะซื้อแมวจากเราไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความว่าเซลล์ที่แปลว่าขายฉันหมายถึงเบลที่แปลว่ากระดิ่งมาใส่กระดิ่งที่คอแมวกันวิธีนี้นะี่ย เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่แมวขยับเราก็จะรู้ทุกครั้งจ้าแมวจะตามกลิ่นของพวกเรามาและหลังจากนั้นก็จะไม่เห็นพวกเราฉันอยากจะเห็นซะแล้วสินั่นแหละนั่นเป็นความคิดที่วิเศษมากเลยนายสมควรได้รับพายชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะ เราก็จะได้อยู่ในบ้านหลังนี้แบบไร้ความกลัวเป็นความคิดที่ดีที่สุดเลยเย่<ม> <Yeah. S 2> พวกที่ออกจากบ้านหลังนี้ไปจะต้องเสียใจเราจะไม่หนีไปไหนนี่คือบ้านของเราให้ตายเถอะเซธภูมิจะในตัวนายมากๆ า, กากนายรู้อะไรไหมความคิดของนายนี่ยสมควรได้รับการยกย่องจาก ม, มี่และฉันขอประกาศว่าวันนี้น่ะเป็นวันที่จะใส่กระดิ่งให้แมวของครอบครัวนิฟเบล กระดิ่งแมวกระดิ่งแม ว, แมว <c oughs> ฉันขอถามคำถามที่มันง่ายๆจะได้ไหมฉันมันก็แค่นูกแก่ตัวหนึ่งที่จะตามคนรุ่นใหม่ให้ทันพวกนายเข้าใจฉันนะขอโทษทีฉันตามไม่ทันแต่พวกนายแ น, ยใน่ใจกับความคิดนี้ใช่ไหมอันแน่นอนที่สุดพ ป, ป้าคิดว่าพวกเราจะสนับสนุนความคิดนี้โดยไม่คิดให้ดีอย่างนั้นเหรอ ไม่เอานะปป๋ า, ปาพวกเรานี่ยไม่ใช่กลุ่มหนูที่สนับสนุนโดยที่ไม่คิดก่อนนะใช่พวกเราเป็นกลุ่มที่สนับสนุนที่คิดก่อนฉันว่านะดีมากงั้นใครจะเป็นผู้ที่ไปใส่กระดิ่งให้แมวละ่ะใครจะเป็นคนที่ไปใส่กระดิ่งให้แมวใช่ใครบางคนต้องนำกระดิ่งไปใส่ที่คอแมว แบบนั้นใช่ร้เปล่าล่ะฮะแล้วใครจะเป็นคนทําหนูทุกตัวเงียบสงัดและหวังว่าจะมีหนูตัวใดตัวหนึ่งอาสาที่จะทําแต่ก็ไม่มีเลยงั้นเออเจอรี่นั่นนั่นแหละจะเป็นคนทำนานคิดที่จะประกาศสงครามกับมนุษย์ไม่ใช่หรือยังไง <c oughs> ฉันฉันว่านายน่ะน่าจะเริ่มกับแมวก่อนนะต้องเป็นนายคนเดียว อะไรนะไม่คือฉันฉันต้องอยู่เพื่อที่จะเป็นผู้นําในการทําสงครามไม่ใช่เหรอถูกไหมเออคือฉันหมายถึงนายไม่เห็นฟันของแมวลุยไงเออเออเออนายนายนั่นแหละนายคือผู้นําแล้วทําไมนายไม่เป็นคนทําล่ะอะไรนะไม่ฉันเออฉันฉันหมายถึงว่าพวกนายจะทํำยังไงหากเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันทิ้งพวกนายไปไม่ได้ต้องมีใครสักคนที่เป็นคนทําเอาน่าบอกฉันมาว่าใครจะเป็นคนใส่กระดิ่งให้กับแมว ไม่มีหนูตัวไหนกล้าพอที่จะเสี่ยงชีวิตแม้กระทั่งมาลินและเจอรี่ทั้งหมดนั้นมันจะเกิดขึ้นเพียงแค่คำพูดที่กล้าหาญไม่ได้ต้องมีคนที่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำและสุดท้ายก็ไม่มีใครนอกจากครอบครัวนิปเบิลที่กล้าหาญพอที่จะใส่กระดิ่งให้แมวพวกหนูจึงเก็บของของตนและออกจากห้องใต้หลังคาในที่สุดบ้านสี่เกี้ยวหลังใหญ่ก็ปราศจากหนู ความคิดนั้นจะเกิดประโยชน์ไม่ได้หากเราไม่ได้ลงมือทำ